โลกทั้งหลายเพราะพ่อขินพ่อใส่ยืยนย้นกับพอเหตุวาสร้าโลกทั้งหลายลวงอบายยมุกันเองพระพุทธเจ้าเป็นโหรเอกปกคร้องโลกไหงกเป็นอบายยมกุกค้าจึงเป็นมนุษย์สมบัติปลาออบายยมุกทุกประเภทไม่ขาสรัพย์รักษาประพฤติในกวามเป็นตนตลอดถึงที่หกโคกไก กัดป่าต้นไก่เอนอบายยมุกมัดแข้งหื่อแข้งแพ้เลยเอบายยมุกมัดตีตึงฟองตงแป้งตีก๊อตตีกับสนะกันลงการพนานการเงิอบายยมุกมัดแข้งมากแข้งหื่ออบายมุกบัดนักเล่นหญิงนักเล่นชุลานักเลนร่ยการพนันควบค้นตัวเป็นมิรเกียร์ขันท่งานแม่สร้างที่สอบเป็นอบายยมุกมัดแมูอห่อน้องมอท่านเทนโถดไปได ว้วปันเห็นโทษพ่อลวก็วัชได้อยากลงละเมิดพระสวัสดินีุ้ณสมบัติวัชได้อยากลงละเมิดศีนหาวัชได้อยากลงอบายมุขวัชได้อยากข่าขายเครื่องประหาขาวขายมนุษย์ข่าวขายทรัพย์เป็นได้่ัพย์ที่ตัวขทรัพเป็นอาหารสาขายทเม้าข่าวขายยาพิษการข่าวขายขอย่างนี่พระสวดบ์วั่ได้อยประกอบสมบัติของพระสสดิวัน ประกอบด้วยสัทธาไม่เชื่าบริสุดธิ์วอบถมงคนตื่นข่าวเสือกัอบโมเสอมงค้นัเสวแสหาเกุ่นนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็บญบนในพระพุ ท, ศาศาาศาพทธศาสนาพระสัจจะวันเป็นจากไปวัฏฐาประการซึ่งตรงกันขาววัชชะลา ย, ยาศาบแช่งพูดได้ห้ยสังความพินาศขีดโกดอยู่แล้ววัชสามาจักูกเวีนูกไผ่เขาไผ ก็จเปวนไผ่เขาามาแต่าตร์กรเขามลากันใสซเามาเทาสตร์นี่กรไม่แตมาเลาะกันปส่ซกผู้ขาสพจ่องเว้นเขาพูดไรฮยผู้ขาเกลียดเรื่องของพรจ่องเว้นเนี่ยเนี๋ยวเขาปิดสบายจะพุ่ม่ะพุ่มแห้งเว้นแห้งไผ่ปิดแล้วพระสุรากันเดี๋ยวเราพู่มแห้งเว้นไพ่หรือพู่มแห้งสิไปนรกปิดแล้วพู่มแห้งสิไปสัตยศาสตรกับปิดแล้วชุดผู้พุ่มแห้งสีไปเพลิดอสุรกายหรือเพดทุกจาพวกกบปิดแล้ว นี่จะเปิดทุ่มใส่มนุษย์ก็เพิ่มใส่สวรรค์ท่านเปิดทุ่มมนุษย์สมบัติ ส, สุดระดาบเปิดทุ่มสวรรค์สมบัติเปิดทุ่มพุ่มสมบัติเปิดทุ่มนิพพานสมบัติไปทางเดียวรูดโรดบะแวะสายวะแวะขวาวะถ้อยหลงังมาสงสัยคนทั้งจะคล้องอี <c oughs> เดินขายเรดอนเร็วกับ่าสองเดี่ยวสายเดี่ยวขวา บอองสายว่าเสียแวไสอั น, นั่นเรียกว่าเป็นผู้คนจากหมหกซักเจ็สามแต่แตายย่มไรทิรับยามไรสีน่อนยไรสีตื้นย่ำไรกระซ่ า, ม, ามอเชาดายอยากลองละเมิดเขีนฐานด้วยขาดก็เนี่ยคือท้องนำลายถิ่น ม, มอเชาดาจะเอาเกินมากเมูฮั่งให้เอาสั่นซะได้สั่นมูฮัง่งจะเอาโมนีกยยม่ก็ได้ยุนี่นนเกเฮสาจะติดน้าเล็กน้าพาน้ามัดน้าเบิม่มเป็นภู่มของ ข้างคิบหาย น, นี่ไงดวงใจเข้าใช่ได้เข้าเลิก อ, ออกสะกพเอามาใส้กับมเทาพวกเลิก อ, ออกกับเท่าอันนี้ที่ิมออกจากดวงใจถิมง่ายกว่าสูนแนวชิมแบกไม่แบกรายข้าวาก็ยังม่หยาดมันถือทับตายได้อันนี้ถิมขั้วประเพสสองเข้าเชี่าเข้าเขาใจพีชแล้มันถือใ จ, ร, จริืน่นเขาถิมซะบ่าเสีเยดายคือโซนไรออกจากฝากเพาะเสีเยดายเอาขึ้นมา ก, กินอีราเห็นโทษมันไ่มีประโยชน์คือเ่าเสียดายากปลุยลุมทานเพิ่ ขนมากวิทเนี่ยคพื่อพรเสด็ายับไปร่งลุยขุมหมดขุมขูดพราะขืนมาได้แล้วหรือว่าท่านขืนก็ต้องรีบข้นหสันมันจังสิเรียกว่าสัมมาสิติเห็นชอบจึงเสียว่าคนเห็นความเห็นชอบตังคเป็นที่เพิงจะคล้องเลยความคิดอันความคิดยังสืเ่งเล็กร่อเล็กเรียนพาร์เลมันเบื่ออยู่ความคิดที่นั่นว่มันเป็นที่เพิงห้องจะคล้องเลยความคิดที่นั่นนันสืเดืดเดือดจะค้องมันในผ้าจะคล้องเชือกไห มันเท็นค่าให้กับของผ่อยสร้างพิษมันเป็นโทษเป็นอนั่นแน่คุ้มคิดแบบนั้นยิตใจชนิดนึ่งเป็นโทษเป็นอนั่นขันท้าเว้นนั่นเป็นคุณเป็นมหันฯข้าเว้นโทษแต่สางพิษเม้นโทษซะเป็นคุณเป็นอนั่นขันท้ามาเว้นเนีเป็นโทษเป็นมหันฯอนั่นมีข้งเว้นซะแต่ว่าด้มีเอียงหลายมีขนาดขุณพระพุทธประทัมประสงข์เถึงือกแล้วอย่าง ดูทุกเมือทุกรยาบดและนัก่ด่ก็ดีขอให้ถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผ้ายจะขอถึงสิงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกเมือมมีประมาณเอาเป็นที่เพิงเชือถปฏิบัติบูชาเพื่อผลทุกนาตางสารเนทุกเมือผมมีประมาณกขาเดินนะเอาเป็นที่เพิงกับจัดทถ่แต่ทุกชนมีบ่มีประมาณเพื่อผลทุกนวัตชสางสารมีประมาก็ขาเดินเข้าอธิษฐานไปยังสั่งเข้าตั้งซับไปยังสั่งีกับผูกายบอกกับผูกายไพ่กับกายทีไทกับพรมหา เดี๋กวก็ถึงวา่าคุณพระธรรมประสงค์ไม่ได้สั่งยากเลยเไม่ได้ตั้งขันหาคันแปดอะไรหรืสั้งว่าให้คิดในใจเราลราโหลดพุทธโทกเขาโย่ใจธรรมโอเขาโย่ใจสังโฆเขาอย่ใจโลดพระพุทธศาสนาเาโย่ใจหรืายท่านนักษาสินภาวนาแล้วผลของกุศลผลบุญกระไรเขามาใจโหลดไม่ได้ไรไปวันอื่นต้องเห็ุบาปบาปกระไรเขามาใจบ่ได้ไรตอนเกาะเกาคือง้อคือควากุศลผลบุญเหมือนกั น, น, นใจเป็นคุณนี่ขุนเป็นมหารคันทําโทษทําพิษแต่ไม่โทษเป็นอนันต เดี๋ยวพอเหักใจเข้ารักษาใจมันแก่เม็ดเพชรนิ่งสินดาวันเนะพอะดีใสใจผ้าดีส้วะใใจผ้าสัวนีลยอันอื่นหมดเลยผ้าตัวะีทั้งสั่นจึงรักษาใจตัวเดียวสินหาการเข้ามายักละเมิดมันก็เป็นสินตัวเดียวยู่งที่ใจอ่ะาัดกับเพชรบสซดาอยากลงละเมิดรักษาประพฤิในกลมฝุดมุสาบสซดาอยากลงละเมิดบอสเซดาอยากริมซุลามันก็เลยเป็นสินตัวเดียวตัดสินลงในใจ มุทโต้ทังโมทั้งโคก็จะเสียบสเกี um, ่ยวอยู like ่ในใจโม่้อหรือนี้ไปไหมนุหันเอาโหลดควดีคว่ำซัวห้องเาจะเห็ยนคว่ำดีเขากับบังใจ่หอะเข็ยนคว่ำซัวเขาบังใยนี้ราจะเคยทำดีแค่เคียบ่เมื่อเคยทมันก็ตอบมันไรมันเ่เคยทมันกับบอสแต่ตอบมันไรท่านศิลพระว่าจะเคยจผ้ากายพระว่าจ่าแค่บลอน์เ่เคยจะ้าเยมันกัตอบมันไรเมื่อเคยจะ้าเยมันกัตอบมันบ่ไรไม่ได้เศษบ่ไร นั่นที่โลกเกี่แล้วหัวหนาวะกวามรับไม่มีในถูกโล ก, โล ก, โลกเ ย, เยอะเยอะเขามาทั้งเพีรเขาไม่ได้เงีนมากเขามาใส่เหย่มามันยกไกลมันบอกว่าได้เงีนถูกต้องเป็นทาแท้แทธิปไตยที่ถูกต้องเป็นทาแท้อาตาทัตมาธิปไตยก็ดีประชาธิปไตยก็ดีธรรมาร์ที่ปตยก็ดีถ้าพารอบตามทาแท้แล้วก็วมีตํำ ม, มีสูงมีคุณวุฒิวัยวุฒิ คุณวิดามันดาก็ดีก็ทรงคุณเต็มภูมไม่ร่วงเกินคุณคูบาอาจารยคุณพระพุทธศาสนาคะคุณพระมหากษัตริย์เป็นต้นต้องทรงพระคุณตามความเป็นจริงของพระคุณอยู่ตามฐานอนันตสัตว์และจะลบออกก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นอันลบด้วยแม่พระคุณอันอื่นก็เช่นกันพิกันจะมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นแม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และผู้ไม่รู้สองอธิปไตยทั้งหลายที่ส ม, มุติขึ้นตามเป็นจริงของสมมติก็ดี ตามเป็นจริงของปรมัติก็ดีก็เป็นเครืองเคลื่นของธรรมะสิบปไตย์ของอุทธศาสนะศาสนาทางนั้นจะรู้ตามเป็นจริงด้วยมารู้ตามเป็นจริงก็ตามความจริงของธรรมตอนนี้ก็ไม่นี้จากความจริงของธรรมตอนนี้ไม่ประลบอีกก็จริงอีกอนิชชาเอ๋ยพระโกลตระธรรมเอ๋ยสามอนิยสัจจะธรรมคือความจริงใดๆในสิบปตยโลกาหรือสิบพาโกฏจักรวานก็ดีเป็นเครืองเคลื่นของพุปถัษสนาอย่างผุ่นไฟทางนั้น แล้วก็ไม่รวมแล้วก็ไปรวมคิวกันที่พายในพานของพระพุทธศาสนาดังนั้นผู้เขียนย่อมยืนยันตามเป็นจริงของธรรมอันอทรงธรรมไม่ได้ยืนยันตามเป็นจริงของอัตวาทุปัสสานอันถือมันว่าเราเรามุตโตพระคัมภีร์อย่างนี้เนาะเอาให้ผู้คนดูได้เสียอธิปไตยใดๆก็ตามไม่นอกเหนะือพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาไปได้ ทขาคำคำสอนของนักเทศศาสตร์นะเป็นยอดคำสอนของชาวโลกและนอกโลกแบบเต็มภูมิอยู่ทุกการทุกเวลาแล้วชาวโลกจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เป็นปัญหาธรรมะแต่ละวัตรบาตก็ทรงสั่สอนโลกอยู่มันมีการวันกลางคืนไม่ลงธรรมะด้วยซ้ําเช่นยกคาถาบาดเดียวว่าชาติทพิทุกขาแม่ความเกิดเขาเป็นทุกอย่างนี้เป็นต้นก็ถูกชาวโลกทุกตระหน้าที่มีวิญญาณครองสิงอยู่แล้วไม่ลงธรรมะเลยชาวโลกจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ก็ไม่เป็นปัญหาฝ่ายอธิษฐานจะทำก็ไม่เดืดร้อนแล้วก็ไม่ต้องปวารณากันเทศก็ได้เพราะเทศอยู่ว่ามีกลางวันกลางคืนแม้กันขณาพยาติมรณะเล่าเพระเทศเป็นเสียงเดียวกันอยู่ว่ามีกลางวันกลงคืนเหมือนกันประกาศก็กลางวันอยู่ว่ามีกลวันกลางคืนทั่วข้างทวัตไตโลกธาตุยตุสัจทะทันทังเรียบเหมือนกรองทิพย์บรรลืออยู่ไม่มีกลางวันกงคืนด้วยท่านพูดเมืองเทศทางปัญญาตาเิศฌานัญญา ก็ได้ยินและเห็นและรู้อยู่ทุกการไม่ยากแม่น้อยแต่ไม่ต้องการตั้งนั้นทาชั้นไหนก็เทศอยู่ไม่มีไม่ลงธรรมาฏตั้งนั้นทาฝ่ายสังขารก็เทศฝ่ายเกิดฝ่ายรับอยู่ทาฝ่ายไม่สังขารก็เทศฝ่ายไม่เกิดไม่รับอยู่แต่ไม่ได้มารวมอยู่กับทาฝ่ายสังขารและก็ควรเข้าใจว่าสนุกฟังเทศโดยไม่ต้องได้อาราธนาและถวายปัจจัยอะไรเลย พระตัวก็เครอย่นี้นะพระสมาสัพพะตะเก้าพระโบรมศาสสะดาสมมาสัพพะตะเก้ า, มา ก, ามากกว่า100ร้อยโคตรที่ร่วมไปแล้วกว็ดีที่จะมาในข้างหน้าก็าดีและทรงสร้างวารเมมาเป็นอเนกปริยายมากทรงพระเมตตามหากรุณาดังสาโคณเพื่อโปรดมูประชากรและก็ได้สําเร็จเป็นพระสมาสพุะตะเก้าอย่างเต็มที่อย่างน้อยที่สุดก็สีอสงไขยแสนกับมหากับก็ตามพระปัญญาที่กับส่วนประเภทสัทธาธิกับ ก็แปดอสงไขยแสนมหากับประเภทวิทยาที่กะก็ชื่ 6. อภอสงไขยกับแสนมหากับก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแหละเทวดาเอย๋ยแล้วก็สอนปกครองโลกแบบเดียวกันคือทําเป็นโรกระบาลปกครองโลกสองอย่างคือความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปตอนนั้นจะปกครองโลกได้ให้สนิทและเยือกเย็นได้อันตรายจารเวียนไทยในปัจจุบันและอนาคตได้ ถ้ามาอย่างนั้นแล้วพ้อทะเลเลือดทะเลน้ำตาเต็มโลกไม่สงสัยเลยข้อหกข้าพเจ้าผู้เขียนเป็นว่าอารมณ์ขออภัยแก่ชาวโลกว่าดังต่อไปนี้คือชาวโลกสนใจกันว่าจะปกครองกันด้วยวิธีใดเล่ายิ่งจะอยู่เย็นเป็นสุขไปรอดไม่บานไปรอดบานหน้าสางเจริญข้าพเจ้าสงสารตนและท่านผู้อื่นมากไม่มีประมาณด้วยซ้าแต่ก็ยืนยันแบบบ้าบอว่า แบบคําสอนของาศาสนาละอายต่อบาปกลัวบาปด้านจิตใจไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปแล้วจะเรียนวิชาโลกและทางทำจบพระใจพิโรกพรตามเป็นลานเปล่ากระดาษเปล่าทั้งนั้นหรือจะเรียกว่านายรับเหมาเอาเวนเอาไปทั้งนั้นรวงตนและรวงฟันผู้อื่นก็เจ็บชาวโลกเป็นส่วนมากเป็นกบเลือดนายใช่ไหม หนะสังคมที่เป็นรรทรรแท้ก็หายากสังคมส่งเสริมกิเลสไม่ต้องหาก็เห็นหลับตาไว้ก็เห็ น, ห ไ, หนได้ยินแต่เสียงพูดก็พูดตามกิเลสเสียงหัวก็มีกิเลสเป็นนหน้าแม้ยิ้มก็มีกิเลสเป็นนหน้าพูดกิเลสก็มาพูดไม่ค่อยจะได้เห็นได้รู้รรทรรแท้เป็นหัวหน้าของใก่ปารบน้อยไม่พออธิบายปารบหลายกลายเป็นคนปากบอนสอนลมสอนแรงไม่น้อมสอนตนเองกังวลสอนผู้อื่น คือคำสอนของพระพุทธศาสนาแปดกรรมและผลของกรรมเป็นธรรมาธิปไตยอยู่อย่างเต็มภูมิแล้วจกว่าสารยุติธรรมก็ได้ไม่ผิดแจะว่าทําทิพย์ก็ได้ไม่ผิดเลยเก้าพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้เต็มภูมิแล้วแต่ชาวโลกมักขี้โอเป็นส่วนมากไม่อยากจะยอมตัวลงเอ่ยับพระพุทธศาสนาเลยกรรมสิบกรรมและผลของกรรมนี้พระพุทธศาสนาเท่านั้นยับคลายสี่ท้วนมันยับถูกมีเหตุผลถึงพายพอ ไม่มีเทวามันผมจะข้านได้แม้ถึงจะข้านก็ข้านแบบหัวดือด้อแต่ก็ได้รับผลไปทางลบขายหน้าตัวเอง 11. ผู้เข้าข้างพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทรงปัญญายาณอยู่ในตัวบารมีสูงสงได้สร้างสมมาแล้วในทางดีครีเป็นทุนมาแต่ภพก่อนเอเนกอนันต์ 12. ความอบอุ่นภายนอกเช่นเวลาหนาวห่วมผ้าอบอุ่นในอามิตกโลกความอบอุ่นใจในทางพระพุทธศาสนา ไม่มีการขึ้นขึ้นลงลงเหมือนของ่ายนอกพอบอุ่นแบบบรรจงทรงตัวอยู่ที่ใจอันซ้อมด้วยธรรมะสิ่งที่ควรยืนยันอันไม่เป็นอุ ป, ปทานแต่ประการใดเลยหนึ่งมติของผู้เขียนลงเอยเข้าข้างทำว่าทำคำสอนของพระพุทธศาสนาแท้แล้วเป็นธรรมอันไม่หาพักไม่หาเสียงกับสับพพะไตโรกาหรือโลกธาตุใดๆเลยแต่ให้เข้าใจว่า ไม่มีมนุษย์เทวด า, ามารถรงมตามใดๆจะทรงอยู่เหนือธรรมไปได้แม้พระสมาสมาจำพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสรู้ในโลกเป็นยุกยุคกวดี ก, ก็มีพรบดํารงทรงธรรมอันเดียวกันจะมากี่ล้านๆพระองค์เป็นยุกยุกวดีก็ไม่สําคัญพระองค์ว่าไม่สําคัญตัวว่าไม่สําคัญพระองค์ว่าจะทรงอยู่เหนือถ้าทําไปได้ธรรมะเล็ดงาเลยเหตุนั้นพระองค์สมมาจำพุทธเจ้าทั้งหลาย ยังทรงคารวะพระธรรมแบบแฉกจมไม่สงสัยว่าจั ก, กระด้างกระเดียงต่อทำแต่ประการใดเลยแต่คณะคิตเดียวเลยเพราะเป็นธรรมทรงธรรมอยู่ไม่ลบเลือนไปทางใดเลยแม้จะมีผู้เคารพรักปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็ตามธรรมก็ทรงธรรมอยู่ตามสภาพของธรรมนั่นเองสิ่งที่มีเวินดาครองสิงทั่วทั้งไทยโลกตัวกรทากดีตลอดทั่วทั้งสรก่และจักรวาลกดีจะพร้อมกันเดินขบวนหูวร้อง พร้อมกันจนเสียงสนั่นวันไหวจนเสียงกึกก้องไปทั่วสัพพะไตโรกาหรือโกราหนไปทั่วร้อยโกฏจั ก, กรวาลไม่มีการหยุดเสียงกึกก้องประทามทีเพื่อให้พระธรรมของพระพุทธศาสนาอยู่ใต้อำนาจของปวงสัพพโรกประย่อมเป็นไปไม่ได้เนี่นว่าละ่ะโทตพระธรรมอันทรงธรรมเจ็มภูมิหาได้รัตําแหน่งมาเป็นทาตทาโสทาสาทาชีไม่ ไม่ฟาร์กอีกก็จริงอีกและก็ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และผู้ไม่รู้เลยอ น, นิสาเอย้อยยาประมาททาเลยจะเสียใจในภายหลังข้อสองสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมที่เจ้าตัวสร้างและสรรไว้และก็กรรมและผลของกรรมนั้นก็คือทําและผลของรรมอันเดียวกับรูปประธรรมนามธรรมนั่นเองยกพระนิพพานทําไว้เป็นพิเศษซะถ้าเอามาปนเปกันแล้วจะเป็นประชาที่ปไตยไม่มีขอบเขตจะไม่มีศาสตราสอนได้ จะเป็นศิษย์ที่ไม่มีครูจะเอากิเลสอันเป็นทรรมฝ่ายดำขึ้นปกครองเมืองใจของตนสามผู้ทรงบารมีแก่ก้ามาบ้างแล้วย่อมยืนหยัดอยู่ในพระพุทธศาสนาพระทรงตาปัญญาเห็นธรรมเป็นทุนแล้วเป็นพระจันทร์ในวันข้างขึ้นแล้วและก็ไม่มีหน้าที่จะกลับมาเรยมอีกเงินเดือนข้างแรม ข้อนี้เป็นธรรมอันจริงของธรรมทันนี้และก็เป็นธรรมก้าวหน้าบานหน้าไปสู่ธรรมไม่ดับไม่แปรไม่สูญไม่สิ้นไปทางใดอีกด้วยซ้ำตีธรรมายโรกีย่อมเป็นเมืองขึ้นของฝ่ายโลกุศระอยู่โดยตรงๆแล้วเป็นหน้าที่ของผู้สนใจธรรมจะรู้ตามเป็นจริงไม่เป็นหน้าที่ของผู้ไม่สนใจธรรมจะรู้ตามเป็นจริงของธรรมธรรมวิจยะโพชชงคสูตร ผู้ของสติปัญญาสอดส่อง ร, รมผู้ใขคร้ครวนทมเป็นผู้เจริญถ้าไม่แล้กวก็ตรงกันข้าม <c oughs> ข้อห้าคราวใดโลกอนละมานนานาอันตและฝนก็ไม่ตกตามและดูการแห้งแล้งชาวโลกก็นิยมป่ารกกันว่ามนุษย์ทำลายป่าให้โล่งเตียนไม่มีไม่ดูดน้ำส่วนทางพระพุทธศาสนาทรงปารกว่า ชาวโลกวางแขนบิดเบือนออกจากพระพุทธศาสนาสำ้ำกันตนว่าเป็นผู้มีความรู้สูงกว่าพระพุทธศาสนาไปสักแล้วก็ห่างเหินออกจากพระพุทธศาสนาดูมีนเหยียดหยามไปต่างๆนานาสารพัด6ตามตำนานของพระพุทธศาสนาแต่จะไม่ออกชื่อรือนามครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนมีผู้กล่าวาจายาพายด่านามทีษุันีว่า ีหมาขั้นสิ้นชีวาแล้วก็ไปตกนรกหมกไหมยอยู่ตลอดการนานพ้นจากนรกแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่ตลอดการนานพ้นจากเปรตแล้วก็มาเกิดเป็นหมาอยู่ห้าร้อยชาติติ ด, ต, ด, ต, ดติดกันแต่ผู้ที่รังเกียจพระพุทธศาสนาไม่เชื่อหรอกและนางคนเก่าที่ว่ามานี่เองได้นางได้ด่านางพิทุนีของพระเจ้าองค์ก่อนว่า อีสัมเพลงอีกแม่เจ้าสิ้นชีวิตก็ไปตกนรกอยู่สิ้นการนานอีกพ้นจากนรกมาเกิดเป็นเปรตสิ้นการนานอีกพ้นจากเปรตมาเกิดเป็นนางโสเภณีอีฆ่าร้อยฆ่าติติดกันนี้พระพุทธศาสนาะมีประวัติศาสตร์ทุกแง่ทุกมุมบริบูรณ์ผู้ฤทธิ์สยาพระพุทธศาสนาะย่อมแสวงทําลายปูชนียสถานเช่นวัดวาอารามเป็นต้น แม่พระพุทธรูปเี่ฝังอยู่ในดินขุดได้เก่าแก่หลายพันปีว่าชอบเอาไปทำลายต่างๆนานามุ่งทำลายเอกสารเพลงลูกๆแลหลานจะเห็นในอนาคตเพลงจะตบตาสะตวลวงไม่ได้แต่ก็ผลของกรรมติดตามไปไม่มีประมาณไม่บานหน้าทางเจริญด้วยข้อเจ็ด ท่านผู้ใดมีรับลมคมในวางแผนลึกและตื้นก็ดีเพื่อบิดเบือนทำลายพระพุทธศาสนาและพระมหากตัดและชาติและรับถัธรรมนูไม่มให้สมบูรณ์แบบเพื่อเข้าข้างตัวเป็นอิทธิพลในทางตรงและทางอ้อมลึกและตื้นซ่อนแผนไวเหมือนแมวเหมือนเสือที่ซ่อนเล็บไว้ด้วยพยายามมีนโยบายใช้อวัยรงคนงูให้เลื่อมใสและเชื่อตาม เป็นเลขคนมายาต่างๆนานาเขานั้นจะมีรายได้ทางวัตถุวันละกี่ล้านล้านก็ตามย่อมบาปย่อมบานหน้าทางเสื่อมอนเนกปริยาเยพราะผลของกรรมบรรดาลตามสนองจองอยู่พระพุทธศาสนาเป็นโหนเอกแม่นยำได้ถ่ายไว้ขาดตัวแล้วไม่สงสัยเลยแปลกคนเราทำอะไรกับสังคมไม่ค่อยตรงเจตนา เจตนาแบบหนึ่งทำรวงเจตนาแบบหนึ่งเป็นมหาหมมสาวาดอยู่ตรงตรงซ่อนเล็บอยู่ในตัวเป็นเจ้าคนมายาสาเถยแท้แร้อยแปดพันประการพิจนารณาแล้วก็เพิ่มความเบื่อหน่ายในวัฏสงสาร ม, มากเก้าเมื่อพิจนารณาแล้วก็ยิ่งเพิ่มความจงรักภักดีเรื่มใส่ในธรรมะของพระพุทธศาสนาทสวีขึ้นไม่มีวันกดจางเลย ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักของโลกพร้อมทั้งไม่มีท่านผู้ใดสนใจเขารบพรัดปฏิบัติแล้วว่าตกนรกช่างเป็นไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนทะเลน้ำตาทะเลเลือดทะเลมแมลงวันทะเลงูนอนตอนไต่และทะเลมแมลงวันหึงตอมออกว้อนกลิ่นเหม็นพว่าคุ้งจดสมมโลกไม่สงสัยเสียงที่ผ่านข้าหูก็คือเสียงล่องคลาง และสาบแช่งแทนเสียงสวดมนต์แทนเสียงร้องเพลงแทนเสียงหมอําแทนเสียงสวัสดีเสียงปืนเสียงลูกระเบิดน้ำดื่มน้ําอาบไชซ้อยคือน้าเน่าน้าเหม็นเราดีนี่เองกลิ่นภายนอกคือกลิ่นหอมไม่มีในเมืองมนุษย์และเมืองสัตว์ที่เดือดฉานพระมีแต่กลิ่นเหม็นฝังกันไม่ทันเผากันไม่ทันเสีบ เขียนไปเท่าใดก็ยิ่งเป็นบ่าอารมณ์วิกลจิตแต่ก็ไม่ขาดทุนเพิ่มความเบื่อหน่ายเพิ่มความละอาความทะเยอทยานในโลกาลก็แตกกระเจิงรวมคนกันก็ไม่สนคงเป็นตัวศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขารวมพลกันอยู่ในตัวแล้ว ยะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ต้องเป็นของกริงในส่วนนี้อยู่ยางอริยะสัจจะแล้วทิเอดเป็นว่าอารมณ์ในธรรมอยู่คนเดียวคงไม่มีท่านโทษใดหนักใจรังเกียจพระธรรมเ อ, อ๋ยสนใจในธรรมคงเป็นธรรมสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหลายแล้ว สนใจในธรรมชนะความสนใจท้าพวงอีกด้วยผู้ใครครูทำเป็นผู้กระลืนผู้เลื่อมใสในธรรมกับผู้สนใจในธรรมกับผู้ปฏิบัติธรรมกับผู้ภาวนาวิปัสนาปัญญาเพราะมีธุระทางปัญญาคือวิปัสนาธุระช่างหลายเหล่านี้มีรสชาติและความหมายเป็นอันเดียวกันนั้นเลเมื่อตัดสินเอาเองถูกเข้าข้างธรรมไม่เข้าข้างตัว ก็ไม่ต้องกลัวจะเป็นอุปทานเพิ่มพิลตคงเป็นธรรมอันไม่มีการไม่มีเวลาอคาลิโกลงโอปั จ, จตังสันทิฏฐิโกโกลงโอเห็นเองไม่เชื่อธรรมก็ไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรอีกเชื่อธรรมกับเชื่อพุทธคำสงฆ์ว่าบรรจงลงเอยอยันเดียวกันนั้นแลปารดมากแต่ไม่ชวนหลอกให้หลงโวหารให้หานลงถึงใจในปัจจุบัน ปัจจเนี่ยมากมามาัหมเออเออมั น, น, นมันเป็นปัจจ้าบันมันม ม, ม, มีส่วอ่มโอ้ยเท่านี่เราเป็นผู้เขียมบาย้าแค<ๆ>่แค่ให้หารลงถึงใจในปัจจุบันขอแล้วกันไม่มีแสงชิ้สองพระพุทธศาสนาเป็นแกนธ ร, รมของชาวโลกชาวโลกจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีประมาณน่าสงสารผู้วางแผนเบียดเบียนพระพุทธศาสนาแบบตื้นตื้นก็ไม่ว่าแต่วางแผนแบบตื้นตื้นแหละนื้อวางแผนแบบลึกนักปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนาก็สามารถรู้ได้โดยง่ายช่างก่อสร้างผู้ฉลาดตั้งเสาพิษดิ่งเท่าใดก็รู้ได้แม่ระดับสูงต่ำรุ่มดอนและกว้างแคบพอเช่นกันเครื่องวัดตวงก็โดยใน ส3ประเทศใดถือรัฐิศาสนาใดกฎหมายคือการปกครองก็โอนเอียงไปแถวนั้นแต่ผู้ไม่นักในธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมกบเรื่องนี้ไม่ออกย่อมถูกต้มตุนของน้าใสาขอบขุนกลางเป็นนกเป็นปลาที่โง่เขลาไปจิตเบ็ดจิตแอาที่นายพรานโปยร่อไว้ถึงแม้เป็นนกเป็นปลาก็ขอให้เป็นนกเป็นปลาที่ฉลาด ยาไปจิบเบ็ดและแล้วที่นายผ่านตัวเราไว้นายผ่านทุกหัวไปต้มแกงทิพยสีประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ทรงสงาราศีมีพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์รัทธรรมนูญสมบูรณ์ด้วยธรรมมาที่ปไตยเพราะว่าได้เต็มภูมิแล้วเพราะประชาชนหนักไปในธรรมของพระพุทธศาสนาสิ่งใดที่ไม่สมฐานะของพุทธมามกต พวกเราก็จะได้พยายามหมุนตัวเข้าหาให้สมฉานะันเช่นอบายามุกทุกประเทศมันเป็นเครื่องทำลายทรัพย์สินภายนอกทางภายในคืออุดมคติก็ทำลายไปในตัวด้านจิตใจ ก, ก็ไม่สามารถจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าได้ฉะนั้นพวกเราจะได้พิจารณาเห็นโทษในอบายามุกทุกประเท ศ, ทเทศให้ตรงได้จะได้เห็นคุณในการใช้เรื่องละเมิตลอดการนานด้วยญญาญาณที่จริง ทิปเก็บบรญกามหานักป่าชั้นที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาที่ทรงพระมหาเมตตาทรงพระมหากรุณาทรงพระมหาจักราลงทุนลงแรงสร้างบารามีเพื่อเป็นพุทธเจดยาสามเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระญาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ปวงสัพพโลกทั้งปวงนี้เป็นมหาบารามีอันใหญ่โตไม่มีประมาณ และก็สืบทอดไปในโลกในธรรมอยู่ไม่ขาดยุบด้วยเพราะจนกว่าบารามีจะเต็มพอก็เกือบจะนับชาตินับภพบไม่ไหวเสียแล้วแต่องค์ท่านผู้สามารถสร้างบารามีประเภทนี้เต็มแล้วองค์ท่านก็ะระลึกชาติขององค์ท่านได้โดยไม่ยากแม้สาวุกสาบยาขององค์ท่านเมื่อองค์ท่านสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเต็มภูมิแล้ว องค์ท่านก็สามารถรู้สาวกสาวิกาของท่านว่าสร้างบารมีมาแต่เมื่อไรเป็นเช่นเป็นชั้นวันละมาอย่างไรได้อย่างพิสดารไม่จนมุมสัตด้านเลยต้องการรู้อะไรรู้ได้ทั้งนั้นเว้นไว้แต่ไม่ต้องการรู้แม้สาวกสาวิกาขององค์ท่านแล้วเมื่อสําเร็จอรหันแล้วก็รู้ได้ตามภูมิของท่านทั้งนั้น คือตามภูมิของสาวกสาวิตาที่ปรารถนาสร้างบารมีมาไม่สุมเดาเลยจำพวกอารหันตุขวิปัจภูที่ทรงปัญญาสามส่วนสมถะส่วนเดียวเราก็ระลึกชาติได้โดยทางรัฐเพราะคำว่าชาติแล้วก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นผู้ระลึกชาติได้แบบนี้จะว่าท่านตอบผิดมันก็ไม่ถูกอีกหลัวเพราะเอาแต่ใจความนั่นนั่นนี่นี่เนี่ยเนี่ย พระพุทธศาสนาพิสดารลึกซึ้งหรือไม่หนอชาวโลกไม่ค่อยสนใจในพระพุทธศาสนาพอมักชาวโลกไม่ค่อยสนใจในพระพุทธศาสนาพอมักจะสนใจแต่วิชาบำรุงกิเลสเป็นส่วนมากขออาภัยมากๆเพิินเอวันเม่นช่หรอม่นช่หรอมูอโ <c oughs> มูตัวจะพาะหาทะเลกุ่งสันบอกที่ไดบ่หรอมันคือไกลกันใต่ไหคับคอนเสิรม่อันบ่เั <c oughs> ินยจาปวดว่าอะเจ้าพี่น่อยมิตร ด, ดีสหายดีพอดีแม่ดีสิ่งไหนที่ทำถูกก็ส่งเสริมสิ่งไหนที่ทำสัวก็ ก, กีดกันชิ้นตัว่ามันว่ามันเ่ยพอดีน่อนในเมื่อมูรอนเล็กน้อยตีกันก็ดีได้แล็กน้อยเล็กน้อยเพราะว่าจะไปดียังไงคนดีกัน ไม่พายาวย่างตกที่ดินรัดไม่ก่อนดอนนี้กร ะ, กระดาษบนกระแตรกระสีเต็มกรเล่นสีไต้พนวาน่ารู้แล้วยาสต้าพาาโรมันจะเป็นเ ป, นปรตโเพิดเน่าแนเหมอ่อมคำพาวิษณ์นะครับโอ้ยผู้ดใดจับไฟใครไฟตัดหินเอามันบอกบ่าฟังผู้ใดตัดจับไฟไฟตัดหินเอามันบอกบ่าฟังเลยอ้เบกขาท่าน อุเบกขาเนี่ยพบมหาหานั่นแต่นี่เเมตตาความรักใคร่การขนาทีให้เป็นถกกรุณาความสงสารชิดใจช่วยคนทุกตอนได้ถูกก็มุทะตาความพอยันดีเมื่อผู้อื่นได้ดีถ้าเหลือไม่ใส่กเกาอุเบกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นต้งควา ม, มบัตรนะถ้ามันเหลือไม่ใส่มันกับอุเบกขาแล้เลยเข้าใจว่าให้เป็นลาบเป็นกรรมยังหรอกมหาเทระชั้นที่หนึ่ง คือพระสมานสัมพุทธเก้าชั้นที่สองคือพระปัจเจกชั้นที่สามคือพระหันตาคีนาศบชั้นที่สี่คือพระอนาคามีชั้นที่ห้ า, า, า 5. คือพระสกทาคาเมชั้นที่หกคือพระโสดาบันพระมหาเชระทั้งหลายเหล่านี้และเป็นโลกุตระมหาเชระเบื้องมาพวกเราทั้งหลายได้ทำผิดท่านด้วยกายกรรมสามมันีกรรมสี 4, ม่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดี ขอให้พระมหาเชระทั้งหลายเหล่านี้จงทรงอุทธให้แก่พวกเราอยู่ทุกหน้าไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ว่าในวัดตาสงสารโดยด่วนตามความประสงค์ของตนอยู่ทุกเมื่อเทิดในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่ทั้งใจโลกาต่างฝ่ายต่างทําผิดกันด้วยกายกรรมสามวิกีกรรมสี่มโนกรรมสามอะไรอันหนึ่งมาในพปกตก่อนก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกต้อนหน้ า, วาทวดทางใจโลกา จงปาฏิจากเวียนภัยซึ่งกันและกันเป็นมิตรเป็นสหายเชื่งกันและกันอุทิศกุศลผลบุญให้กันและกันอนาโมธนาเชื่งกันและกันอย่าได้มีเวรในภัยแก่กันและกันอยู่ทุกเมือ่อจงประสบแต่ความสุขความจเจริญในมรรคและพุทธศาสนาของพระสมัยพรัพุทธเจ้าอยู่ทุกเมือม่อในมีประมาณนั่นเถิดห่างตุ้มเหหิตรีเมขา ม, มีต่ำบาง เอวังหตัเอวังหัตัโยจากภูเบรมัติจิตตวัตตาโซนะภมัติิโซมังโลกังบพาเิทิวัโตุวัจฉิมาเนจภาปังกตังกามังกุเสเลนะปูมิญติโซมังโลกังบพาศิติวัตตุวัจฉิมาอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุธาปะจายโนจตตาโรธรรมาวัชันทิอายุวันโนสุขังพักลงสัพพุทานุภาเวนะสัพพัทมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ พุทธะตนางธรรมะตนางสรงภรตะนาตินงรัตนานางอนุภาเวนะจตุรสีติสารธรรมะันธานุภาเวนะวิทัติยาณุภาเวนะกินาสักานณุภาเวนะสเปเตโรคาสเปเตปิยาสเปเตอันตรายาสเปเตอุปัฏฐาสเปเตทุนวิตาสเปเตอมังคลาเวนะสันตุโยตโกตกาธนวตโกตกาสิวัตโกตกายสาวตโกตกาพรวัตโกตกาวนนวัตโกกา สุภวาตโกตะกาหัวตัวสัพารุกรโลขปยาเวนะโกาชัตตุจุปตวานการันตายาปิมีนักสัจติเตศาสาทียสิทธิทันางลาพังโสธีภาคยังสุขังภรังสุติอายุจวันนจะโพกังมุตทีชยสวาสัวสาอายุชชีวสิทีพรนตเตยเพราะว่าทุพุทธานุภาเวนะสัพพะโสธนพุตเตเพราะว่าทุสัพพะมังคังรขันสัเทวตาเพรมาุทธนุภาเวนะ าสาโสตถีพวันตุเตภวทุศภมางคารขันทุศปเิวตาสภัสรังคานุภาเวนะสทาโสตถีพวันตุเตยอยู่ทุกเมื่อมีมีประมาณนั่นเถิดเตไปว่าทั่วทั้งใจโรคภัตตาโนนิสีทุกทันาจงเป็นฉุกในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่เธอปฏิสันธานคารวาตาผู้ใดเคารพปฏิสัทธ์ผู้นั้นปต่พุทธใกล้พระเนพานโดยแท้เลยพระบรมสารีรัตนอปัญหา นัตถิภ า, าระปณายากาปันเทตตาปเรณายากาปันเิตตาปเรณายากาบันเทตเท่านั้นเป็นหัวหน้าทาสีเนปะวิขาสะขะสะอะเมอุทาแปลว่าทานศีนแปลว่าสีนเนแปลว่าเนคัมมะวิแปลว่าวิทยะความเพียงขะแปลว่าขันตีสะแปลว่าสัจจักอะแปลว่าอธิษฐาน ไมยแปลว่าเมตตาอุแปลว่าอุเบกขาย่องอยู่บนหัวกว่าส่วนผงทุเร่หมดที่ว้ว่างเมียนเมื่อแก้วคือยังข้าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ ท, ท่าัระ่ถึงว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับมิตรผีรผ์มาอยู่หัวใจเท่านีบอบไม่ไดเขียนเลยไม่ได้เขียนไลนึกได้เป็นกระยุกกะยาลำคำหมอกมอยค่อยตายแท่เอดี เกี่ยงทั้งทั้งนั่นใช้ทั้งกระดูกและเกี่ยงทั้งเขาปูกทั้งเขาปลาร้านนะครันให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ญาตัวเสียงญานไหวเห็นส่นคาว่าแก้วแท้ๆ่าจะเกิดเป็นแหวนแก้วแท้ๆ่าจะเกิดเป็นหินหินชี้หนย่าเกิดแพ่งปั่นแก้วนพระพุทธศาสนาแท้ๆญาจะไปตีร่มตําก็อนอื่นเอาอันอื่นมาเหนือพระพุทธศาสนาบไางนั่งเนี่ยตผ้าวันมากข้าพเอเออ ไอไปไปตกมรรคหกออกจากมรหกมาเป็นเพศออกจากเพศมาเป็นผีบาเป็นงัวบาข่อยบาเป็นมนุษย์กะบาเศษของกำกินเหล่อไม่ว่านเรื่องหน่อยๆได้เรื่องมื้อเนี่ยยินเป็นระยะมันกะ บ, บาเป็นระยะหึมมือเนี่ เพื่อนเห็นไหมเห็นยังเห็นเราเห็นแต่คนพิบา้ากินว่เ า, า, เาเป็นพิบ่าเขาบอกินดอกน้ำสยาเพื่อนบอให้ไม่กินไม่สีได้อยู่อยายไม่กินไม่สีสยาไม่ให้ไม่ตลิ่นไม่ไม่ให้มไม่ไมไมไมมสีพระก็ดื่มได้แต่ไม่ให้มีกินมีสีใส่ใสายาผสมยาไม่กินไม่สีกใ ส, ใส่ใส่อะไมัชปานาจะสัญญโมอัปมาโทจะธรรมยโสอืมเอาไปใช้ใต้เสือนะ โยโยโยายาประชากรเขาจะามาเอาดอกตอนค่งเขาก็จะมาเอาได้เสือข้างหลังข้างข้างข้งขอมือชื่ร้ังไม่ก็ต้องเข้ามาหลบอยู่ที่ A อเพราะกาลังกาลังคนคนชาะเนี่ยแปดทแล้วแปดทีบกว่าแล้วแปดทีเอ็ดอยา่างถ้าบอกเราไม่ศาสนาเขาแปดทีบท่า น, นไปเลยลูก ป, ปู่ม่านก็าแปดทีบไปเลยแล้วก็าแปดทีบกว่าแล้ว แปดสิบเอ็ดได้แทดสิบเอดอางถ้าเป็นพระอาทิตย์มันก็เวลาสายันตะวันเย็นลึกษีฤกษ์ตีลงรับขอบฟ้าความตายแขวนคอสัตว์ทั้งหลายอยู่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนความตายตอนสัตว์เข้าข้อเหมือนนายโคบาน นายขรบานยังมีเวลาความตายไม่มีเวลาเลยไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนนายขรบานคนเรี่ยงวัวเรี่ยงควายก็เวลาสายันตะวันบ่ายหรือจวนค่าเท่า น, นั้นส่วนความตายเนี่ยอนเข่าคอกไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนด้วยหลับอยู่มันก็ต้อนวันคืนกรีนกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่อิ่มเลยชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ไปอยู่ที่กับวันคืนนั่นเองวันเวลานั่นเองอานนท์เธอพิจารณาความตายวันนักขีครั้งเออวันนายน้อยั้งพระเจ้าข้าเออเธอยังประมาทอยู่นะอานนท์พรอมกำลักกลงหายใจเขาออกจึงมีอานิสงส์มากมหพาพรามหานิสงสามีอานิสงส์มากผู้นั้นจะไม่นอนใจในวัฏฏะสองสารด้วยผู้นั้นจะเห็นไถ่ในวัฏฏะสองสารด้วย ผู้นั้นจะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏจักรสงสารด้วยผู้นั้นจะไม่ติดสิ่งใดๆในโลกด้วยผู้นั้นจะมีสติรู้ตัวอยู่ด้วยมุคคลผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็คือผู้สร้างบรมีอยู่ไม่มีกังวนกังคือนั่นเองเพราะอารมณ์ของเขาเป็นไปในทางกุศลเป็นส่วนมากเมื่อที่ถือว่าไม่มีบาปในบนไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนา อารมณ์ของเขาก็เป็นไปในทางบาปเป็นส่วนมากมาร่างกายถ้าไม่อาบน้ําก็สกปร ก, กโคล ม, มถ้าอาบน้าก็จึงพอประทังประชังข้อสังคมได้จิตใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะเป็นอาหารก็เรียกว่าจิตใจสกปรกจิตใจต้องกินอาหารเหมือนกันจึงอารมณ์ที่เป็นกุศล อารมณ์ที่เป็นบาปเรียกเผ่นไม่กินเลยเหมือนก้าขวางคอไม่กินไม่เชี่ยวเหมือนน้ำที่มีเหยื่อก็ไม่ดื่มพูดถึงพะพุทธพระธรรมพระสง์เป็นอารมณ์ผู้ท่านมีที่พึ่งกันอันกเกษมโยจะพุทธัญจะธรรมันจะสังกันจะเจรนางขะโตขะตา ผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นผุ้เพ่งวิเทวณังสังสันติเมื่อละโลกแล้วไปบรรเทิงในสวรรค์เป็นขั้นต่ำต่ำอย่างสูงก็ถึงพระลานอย่างต่ำก็ไปบรรเทิงในสวรรค์ยินดีในโลกทางปวงเนื่อง้านขณะจิตก็ไม่เข้ายินดีในพระพุทธศาสนาขณะจิตเดียวสนใจในโลกท่างปวง ล้านล้านคณะกิจก็ไม่เท่าสนใจในพระพุทธศาสนาคณะกิจเดียวเคารพกราบไหว้ในทางอื่นล้านล้านคณะกิจก็ไม่เท่าเคารบกราบไหว้ในพระพุทธศาสนาคณะกิจเดียวพระพุทธศาสนาหนึ่งที่นี้หมายถึงชุบชีนโนุตุยาญาสางิจนตุนย์ไปหมายถึงพระสวสดาวันจนตุลยไปตลอดถึงสกทาคาริยานามีอาหารตลอดถึงพระประเสริฐตลอดถึงพระสมัยจพุทธเจ้า ซึ่งอยู่ในวงอันเหมวกันอยู่ในกองทัพอันเหมวกันคือกองทัพโลกุตระผู้ใดอยากจะถึงพระโสดาบันเอาวันนี้ก็ได้เมื่อเสียดายอยากร่วงละเมื่อถึงห้าเมืเ่อเสดายอยากร่วงอบายยมุกเมืเ่อเสดายอยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็ น, นเนีย่ยสัตรียมก็กล้าเปลี่ยนอาหารค่าขายนมอค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้ ถ้าสัสดาบันไม่เสียดายอยากจะร่วงละเมิดเลยสิ่งไหนที่ไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจสิ่งไหนที่เสียดายอยากจะร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ต้องหนักใจทำไมไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์มีแต่โทษโดยฝ่ายเดียวเมื่อเห็นแต่โทษโดยฝ่ายเดียวแล้วมันก็ดิ่งลงประธาไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดมันก็เบาใจเท่านั้น เหมือนทำลายเซบวนทิง้งแล้วไม่สงสัยและไม่หลังว่าจะเอาคืนมาอีกพระพุทธศาสน า, างอยอยู่บนหัวใจพูดผีปีาศาสก็เข้ามาใกล้ไม่ได้มิจฉาทิฏฐิก็เข้ามาใกล้ไม่ได้เพราะมันกลัวพระพุทธศาสนางอยอยู่บนหัวใจพระพุทธศาสนางอยอยู่ที่ใดพระธรรมศาสนาก็งอยอยู่ที่นั้นพระอริยสงศาสารก็งอยอยู่ที่นั้นทุตโตอยู่ที่ใดธรมโมก็ทรงอยู่ที่นั่น สังคออ ก, กปฏิบัติเนทะ่นั้นนั่นคืออะไรคือใจนะนั่นเขาเขาว่าเนี่ยเขาเขาว่าเนี่ยเขาก็พูดตามภาคอีสานแต่ก่อนไม่ได้เคยได้ยนินเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้ยนิยนแล้วเนี่ยใส่สื้เอียแต่ไม่เอกแต่ก่อนไม่ได้เคยได้ยนิยนนะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินแล้ยพระพุทธศาสนายังอยู่ ย, ยังยืนลงยงจ้งอยู่ที่ใจเราก็เหมือนอยู่คงคีพด้วยถ้าพระพุทธศาสนา ไม่ทรงอยู่ที่ใจเราแล้วเราก็ถูกพิรุษจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์กิเลสอาชวะทั้งหลายก็จะมาจองจิตจองใจเป็นเจ้าหัวใจอยู่ที่นั้นมันก็บอกเราไสาหันห่นขว้าหั่นกำลังหัน่นมันก็บอกอขีคอเราอยู่ไม่มีกลางวันนี้คืนนายควนชางควน ม, มากเขาก็ขึ้นคอชาคอ ม, มากเป็นกาลเทศะแต่กิเลสขึ้นขี่คอเราอยู่แล้ว ไม่มีการมาตั้งคถ้าเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ดวงใจกิเลกก็ขึ้นมาไม่สะดวกเนี่ยฉะนั้นจึงปฏิญาณว่านัตถิเมชนนั ง, งนงันอย่างชนละอื่นของเราไม่มีพุทธโธเมชลังวังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัฒเชนะด้วยกล่าวคําศัตย์นี้สด ท, ที่เมโหโธติสวราขอความสวัส ด, ดีจงมีแก่เราไม่ต้องขอก็มีถ้าเราทําความดีแล้ว ไม่ต้องขอความดีความดีก็มาหาเรานะถ้าเราทําความช่วยแต่ก็ไม่ต้องขอความช่วยก็มาหาเรามาหาเราก็คือมาหาใจ่เองนะถ้าทำประสงค์ก็เหมือนกันใจมีคุณเป็นมหันและก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําไม่ถูกนอกจากใจไม่มีอันไดจะเบียดเบียนใจนอกจากใจก็มีไม่มีอะไรจะทําประโยชน์ให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะเคารพใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะปฏิบัติใจ นอกจากใจก็ไม่มีอันไใดจะทําลายใจเพราะตาหงุดหงินกายมันทําไม่ได้มันทําแทนใจไม่ได้เพราะใจเป็นหัวหน้าแล้วผูกขานแล้วเป็นนายกนัธถีปารา า, าปรินายกาคนผานม่นใช่คนหัวหน้าข้าวใดใจมันหนักไปในทางการมฤตยูตกพยาบาตฤศกุลหิ้งสาฤทธกุลคราวนั่นอยากให้มันเป็นหัวหน้าขับมันหนีซะกนี่ในทางพารามัตย์ ในทางพระสูตรก็มีอีกเหมือนกันนัตถิภ ร, ราภเ ร, รนายากาคนพานไม่ใช่คนหัวหน้าทางพสูตรทางปรมัตดก็คือใจที่เป็นผานจะเอามันเป็นหัวหน้าใจของเรานี่เองนั่ในทางปรมัตดในทางพระสูตรก็บุคลาธิฐานในทางทำปรมัตดก็ธรรมาธิฐานก็มีความหมายอันเดียวกันแต่ลึกซึ้งกว่ากันพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็ไม่เหมือนอยู่คงทิพย์ด้วย <c oughs> รวมคัดขึ้นบ้างบน ลมตามลมหาวลมเลือลมอวกลมพัดลงมพัดกล่ำถ่ายลมถ่ายวิจาระถ่ายปัสสวะลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกการพิจารณากานี่เห็นจิตเตียงธาตุคือคือดินน้ามไฟลงมาประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่อยากธาตกรรมฐานดินว่าแต่ก่าเป็นดินน้ามไฟไปแตกไปเป็นน้าไฟก็แตกไปเป็นไฟลมก็ไปแตกไปเป็นลม ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อและกระดูกว่าหัวใจตับฟังถือใจปอดใจใหญ่ใจน้อยอ่านหม่อ่านเก่านีเป็นธาตุดีดีเล็กน้องเลือดเหงื่อมันค้นน้าตาเปรียวมันน้าลายน้ํามูกน้ำไข่ฟอน้ํามูดอันนี้เป็นธาตุน้ําไฟที่ยางกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สดชื่นไฟที่ยางกายให้กวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยมี่ธาตุไฟลมพัดขึ้นบ้างบนลมหายลมเลยลมอ้วกลมพัดลงบ้างต่ำ ลมผายลมสายอุจจาระผายปัสสาวะ เ, เป็นต้นลมในช่องนอกไซลมในไซลมใัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นแต่สักว่าธาตุลมสิ่งไหนที่พัดไปมาสิ่งนั้นเป็นธาตุลมสิ่งไหนที่อบอุ่นสิ่งนั้นเป็นธาตุไฟสิ่งไหนที่เต็มสาบสิ่งนั้นเป็นธาตุน้ําสิ่งไหนที่เป็นของแข็งธาตุสิ่งนั้นก็เป็นธาตุดินก็เป็นแต่สักว่าดินน้ําไฟลมรวมกันเป็นกายเจว่ารูปไม่ใช่เราไม่ใช่บุคคลดินแตกไปเป็นดินน้ําแตกไปเป็นน้ำไฟแตกไปเป็นไฟลมไม่แตกไปเป็นลม นี่ก็คือพุธทธธรรมสงฆ์อีกเหมือนกันพระพุธทธธรรมสงสอนเนี่ยพิจารณาอย่างนี้พุธทธธรรมสงฆ์กินความกว้างแต่จากกว้างจะแคบสากเพียงไหนก็ย่นลงมาหาใจเหมือนกันนั่นจะมากก็มากลงมาหายใจจะน้อยก็น้อยออกไปจากใจจะมากก็มากออกไปจากใจมากในทางดีก็มันกันมากในทางชั่วก็มันกันเพราะมีใจเป็นห้อหน้าอยู่เสมอเสมอเสมอถ้าใจมีสติสัมปชัญญะใจก็จะเลือกถูกเลือกที่ทางควรและไม่ควรธรรมัญญูตาเป็นผู้สักศี ทนรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิงนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตชันน้ตามเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุก็เปนผลนี่เหตุอันี้ทุกข์นผลนี่เหตุอันนี้นี่ใจมีสติปัญญาสยยัมปชัญญะต้องเลือกอย่างนั้นใจสําหรับนึกคิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามาส่งเสริมปากสําหรับกินสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่กินหลังสําหรับนอนความหนาวก็ไม่ต้องนอนอันเดียวกันต้องเลือกถ้าไม่เลือกทุกเอาเผากิงเจอก้างเี่นับ ทีนี้ต่อไปก็ให้พรกันก็เอาละนะเกิดมาเป็นชาติเป็นพพเอาก็ต้องเป็นทุกข์ทางนั้นทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายเป็นทุกข์ประจำสังขารทุกโรกทุกโกรธทุกหลงเป็นทุกข์ที่ควรเว้นในโลกมีสุขไหมในโลกไม่มีสุขถ้ามีสุขอยู่เข้ามาเล็กงา พระรหันต์ก็ไม่นายโลกใครเป็นผู้หาความสุขในโลกเป็นชั้นที่หนึ่งก็คือพระรหันต์นั่นเองมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่พบมันไม่เห็นเหตุฉะนั้นจึงยอมเบื่อหน่ายใครเมาในวตาโศกสารชนะความหลงของตนไปผูท้ที่ถูกแพ้ความหลงของตนก็หาความสุขในโลกอยู่ไม่มีกัางวันกัางคืนถ้าความสุขในโลกมี ทามาเมล็ดนาก็ดีพระอรหันตก็เบื่อหน่ายโรคไม่ได้ก็มีวิญญาปติสนุนทรปฏิบัติอยู่ในที่นั้นเหตุใดจึงเบื่อหน่ายคลายรงของตนได้ก็พระมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นเฉยเลยความสุขในโลกอันนี้ที่เราวัญหััิว่าสุขแล้วก็วัญหยัดแบบเรื่อเอาอาด้วยความเคยชินขณะเดียวนี่ใกล้จะตายกว่าเมื่อเช้านี้ เดินเข้าไปหาความตายทุกวันทุกวันทุกวินาทีด้วยวันคืนกรีนกินชีวาของสัตว์ทั้งหลายกายนี้กระทุกทุกทางกายเจตสิกทุกทุกทางใจใจเมื่อไม่สมประสงค์มันก็เป็นทุกข์เพราะในโลกนี้ไม่มีอันใดจะสมประสงค์เลยเกิดมาก็มีแก่มีเกศมีตายพอสมมติว่าได้อันนั้นอันนี้มันก็เตรียมจะเสียไปสัก เหมือนวินาทีแล้วสําสคัญว่าได้เท่านั้นวินาทีแล้วมันก็ล่วงไปอย่างผึ่งผายให้เราเห็นซักพอเราบัญญัติว่าเป็นปัจจุบันมันก็กลายเป็นอดีตต่อหน้าทุกสิ่งทุกอย่างล่วงไปล่วงไปคําพูดแต่ละพูดแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละคําแต่ละนึกแต่ละคิดก็ล่วงไปล่วงไปพูดเท่าใดก็ล่วงไปเท่านั้นนึกเท่าใดก็ล่วงไปเท่านั้นไม่มีสิ่งที่จะกยังยั่งยืนตั้งอยู่มีเรียกว่าอานิจจังอันละเอียด อันนี้จังก็แปลว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ร่วงไปสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขาร น, นั้นก็ดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขาร น, นั้นก็จะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขาร น, นั้นก็จะดับในปัจจุบันความเกิดขึ้นแปรปวนและดับไปหาระหว่างไม่ได้ติดต่อกันอยู่เหมือนหลอดไฟฟ้าดถ้าเราติดไฟเข้า มันเกิดเรียวดับเรวเกินไปจนติดกันเป็นพืชในใในโลกล้วนอันนี้จังในในในโลกล้วนทุกขังในในในโลกล้วนอนัจาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเธอทั้งหลายจงพิจารณาตามเป็นจริงเถิดเธอทั้งหลายพิจารณาตามเป็นจริงแล้วเธอทั้งหลายจะสิ้นความสงสัยในโลกทั้งปวงจะไม่เป็นห่วงในโลกทั้งปวงจะไม่ยินดีในโลกทั้งปวง จะเบื่อหน่ายความหลงของตนที่เคยหลงมาจิตของเธอทั้งหลายก็จะเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาอันสูงเด่นขึ้นพระบรมศาสดาสอนนิพพาความเบื่อหน่ายก็จะเปิดประตูให้เธอทั้งหลายปรากฏแก่ใจของพวกเธอความเทเยาทิยาในโลกทั้งปวงของพวกเธอจะห้ามบเบียดลงจะห้ามล่อลงพระบรมศาสดาสอนคำสอนของพุทธศาสนา สอนให้ออกนอกโลกสอนให้เบื่อหน่ายความร้งของตนที่เคยร้องมาคำสอนของพญามารสอนให้เพลิดเพืินในการ ม, มาลวนและโทสะลมและโมหะลมคําสอนของพญามารสอนให้เทยเทยทยานในโลกทั้งปวงผู้เทยเยอทยานในโลกทั้งปวงก็คือผู้เทยเทยทยานในรุ่มฐานเพลืองนั่นเองนั่ น, น, นผู้ไม่เทยเยอทยานในโลกทั้งปวง ก็คือผู้ไม่ทะเยอท ย, ยานจะกระโดดลงหลงฐานเธอผู้ห้ามเบิดผู้ห้ามล่อผู้พิจารณาตามเป็นจริงผู้ที่ทะเยอท ย, ยานในโลกทังพวงจนไม่มีเแบบิดผู้นั้นจะเอาหลงมาบวกหลงจะเอาโลคมาบวกโลรเจ้าโกรธมาบวกโกรธจะเอาหลงมาบวกหลงไม่มีวันฉ่างเลยผู้เห็นไัยในขณะ จิตเดียวยังดีกว่าเห็นเพลินล้านๆขณะจิตในวันชาติสงสารอาโ น, น์เธอพิจารณาความตายวันละกี่ครั้งร้อยครั้งพระเจา้าข้าเออเธอยังประมาทอยู่นะอาโ น, น์พร้อมกำลมให้ใจเธาออกยิ่งดีนะผู้พิจารณาความตาย บ, ายบาย่อยๆจนเคยชินผู้นั้นจะไม่หลงตายเมื่อความตายมาถึงแล้วผู้นั้นจะไม่กระเสือกกระสน จะพิจารณาตามเป็นจริงของสังขารจะเกิดสรดสังเวชในวัฏสงสารจะเอื้อมระอาไม่มาเกิดในวัฏสงสารอีกคำคำสอนของพระมธมรมสัมพุทธเจ้าแต่ละวัดระบาดสอนให้วางเวรวางภัยนับแต่ปาณาธิบาทเป็นต้นไปจนถึงอทินนาทานจนถึงกามเมจนถึงมุสาจนถึงสุราทำให้ชีวิตสั้น ฆ่าทัดบ่อยๆตายแล้วก็ไปนรกอยู่ร้ายแสนปีออกจากนรกมาเป็นเปรตออกจากเปรตมาก็เป็นสัตว์ทีละฌานถูกเขาฆ่าทุกชาติทุกภพออกมาเป็นมนุษย์ก็ถูกเขาฆ่าตายทุกชาติทุกภพผู้ล่วงละเมิดอชินาคารชิ้นลมพานไปก็ตกนรกร้ายแสนปี ออกจากนรกมาก็มาเป็นเปรตออกจากเปรตมาก็เป็นสัตว์ที่ริษานออกจากสัตว์ที่ริษานมาก็มาเป็นมนุษย์มีสิ่งของอะไรอะไรก็ถูกเขารักไปหมดเขาขี้เขาพ้นไปหมดผู้ร่วงละเมิดกามเมีชีิตชาติาจารย์ตายไปก็ตกขุมนรกมากนาน ออกจากน ร, รกมาก็มาเป็นเปรตนางออกจา ก, ากเปรตมาก็มาเป็นมนุษย์มีลูกมีผัวมีเมีย ม, ม, มีหลานมีเหรียญเขาไปล่วงละเมิดหมดไปข่มขืนบ้างไปทำำําชํำเราบ้างสาพรพัดไม่มีใครเกรงผู้ล่วงละเมิดโมสาพูดปดกับเ ท, ท็จเป็นจริงกับจริงเป็นเ ท, ท็จตายไปก็ไปตกนรกพยายมน้ำเลือแ ด, กดงกอกปาก เธอพูดกดเอาเลี้ยนมาตัดซะแลบเลีนออกก็ตัดเลีน้นตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดโด่ที่นั่นออกจากนรกมามาม า, มาเป็นเปรตหลายพันปีออกจากเปรตมาก็มาเป็นสัตว์ที่รักหลายพันปีออกจากสัตว์ที่รักมาก็มาเป็นมนุษย์เป็นคนปากเหม็นพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อมีคนต้มตุ๋นบ่อยๆพูดล่วงละเมิดโซลาเมอะไร ตายไปแล้วก็ไปตกกลุ่มนรกมกไหมยอยู่อพยพอมีหน้ํามเ็กแดงกอกปากร่องคางตายอยู่ที่นั่นก็เกิดที่นั่นเป็นตัวเป็นตนขึ้นหลายพันปีหลายแสนปีออกกากนรกมาก็มาเกิดเป็นเปรตหลายแสนปีออกกากเปรตมาก็มาเป็นสัตว์ทีเลี้ยฉานเป็นสัตว์ที่เลี้ยงฉัน เชนมาบ้าเป็นต้นพระเศษกรรมที่ดื่มสุรานั่นเอง อ, อกากัศที่ฉานมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เสียจริตผิดปกติอพระเศษกรรมของบาปเพราะฉะนั้นกัจจังห้ามาปาณาติปาตาเ ว, ร ม, วรมณีเวรมณีเว้นอันนี้เว้นแล้วเวรมณีแปลเว้นแล้วชิคาบุตทางสมาธิไม่เป็นชิคาบุตรหนึ่ง เป็นบทอยู่ที่ดวงใจอธินนาธานาเวทมณีกวบคันกันกาเมฆควบคันกันเวทมณีแปลเว้นแล้วในเวนอันนี้เสียขาประทางสมาธิามเป็นเสียข า, ทาบทหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ดวงไกพูดถึงสุงยยปจจนโนไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่เสียดายอยากเล่นอบา ย, ยมุกเพราะเห็นว่ามันเป็นทางชิ้หายตงโต้ไม่มีทางเจริญแก่ตน เลยเบียดเบียนตนถือว่าเบียดเบียนตนต้องโตไม่มีทางเจริญเบียดเบียนทรัพย์สินทรัพย์สินศีลอีกสินตัวซอสารีตัวซเสือสารีเรียกว่าทรัพย์สินตโนธสินอีกก็ตัวซอสาราสารีก็เบียดเบียนทั้งทรัพย์สินทั้งศินด้วยนะสินซอสาราสารีโรลินเรียกว่าศินธรรมนั้น ไม่ชื่อได้อย่างรองละเมิดอบายามุกอีกด้วยพูดถึงพระโสดาบันและปิดอบายยภูมิด้วยภูมิจะไปสู่เปรตสู่สัตย์ที่รัสู่นรกสู่มนุษย์วิบัติก็ปิดประตูแล้วพระโสดาบันมีหนทางไปสู่ทางเจริญนาฏยอตลอดถึงพระ涅พานเป็นอาวาสานสุดท้ายไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้วขวาไม่ได้ถอยหลังด้วย เดินหน้าจะเดินเรวหรือช้าก็ไม่แวะไส้เลยขวาเดินตรงเลยจิตใจจิตใจไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรียกว่าไม่แวะไส้แลยขวาไม่สงสัยในหนทางความประพฤติของตนเรียกว่าเดินหน้าในความประพฤติไม่สงสัยว่าจะได้ล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่สงสัยว่าจะล่วงละเมิดอบายยมุขไม่สงสัยว่าจะฆ่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ ค้าขายสัตว์เป็นเลยเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพืเป็นอาหารค้าขายนำ้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เทียดายอยากจะห่วงละเมิดเลยนั่สิ่งไหนไม่เที่ยดายผู้จะเดินจงกรมภาวนาเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ตามอดข้าวอดปราค่ะจนขุมผมขุนขุมผลผมขุบขุมขนหล่นก็ตามเนื้อหนังแห่ เหี่ยวตายคาอดข้าก็ตามถ้าเทียดายอยากล่วงละเมิดชิ้นห้าอยู่เสียดายอยากจะเล่นอบายยมุกอเทียดาอยากจะขอดเวีนกับท่านผู้ใดยอยู่ก็ยังไม่ถึงพระโสดาบันก็ยังปิดอบายยภูมิยังไม่ได้เพราะภูมิอบายแปลว่าไปในทางที่ไม่เหมาะสมเรียกว่าอบายทางที่เป็นทุกข ภูมิก็คือภูมิจิตภูมิใจของตนที่ไปไปในทางที่ไม่ดีพลึกปลือมคิดไปในทางที่ไม่ดีเรียกว่าภูมิของกิจภูมิไป ท, ทางบาปถ้ามีสินห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ได้อย่างเราละเมิดสินห้าเนี้ยก็ปิดประตูไปทางบาปแล้วมีแต่เดินไปทางบุญตรงโต้ ง, ตงเลยผูม้มีสินห้ามบริบูรณ์เป็นผู้มีทรัพย์สินทั้งภายนอกและภายในจ ะ, จะเจริญก้าวหน้า สูงส่งตรงไปพระนิพพานเลยพระถึงพระโสดาบันแลว้วสัคธาคามีก็เปิดไปในตัวพระอนาคามีก็เปิดประตูไปในตัวพระอรหันต์ก็เปิดประตูไปในตัวเปิดประตูเข้าสู่พระนิพพานเตี้ยนโล่งเลยนั่นไม่สงสัยด้วยไม่เดือดร้อนด้วยนอนก็ไม่เสืุ่มลงภาวะเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างไม่เช่ได้อย่างร้อนละเมิด ศาสดาอื่นอีกด้วยนอกจากพระพุทธศาสนาพระมีความเห็นชอบว่ า, าศาสนาใดๆในใจโลกธาตุไม่มีาศาสนาใดลัทธิใดจะเหนือคําสอนพระพุทธศาสนาไปได้เลยเมธเจนจงลึงลงเอยดิ่งลงเคารพบนบถือว่าพุทธศาสน า, ศาอย่างไม่จืดจางอย่างถอนไม่ออกแผ่นดินนะสองแสนสี่หื่นโยธเขาเอารุกระเบิดประมาณูทําลายแต่ คิตใจที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใครกำมาถอนก็ไม่ออกเลยนักแล้วลึกได้ไหมลึกได้ก็ดีขอผูกขาดจองขาดถึงขึ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อคนทุกในวัดต้องสงสารโดยด่วนอยู่ทุกเมื่อนั่นเถิดแล้วลึกได้ไมหนึกได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นทาาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รถเยี่ยวรถ ยอบย่ำถมน้ำลายคายนโมกใส่ในสกลละกายสกน ล, ละวาจาสกลละใจของข้าพเจ้าทุกคนทุกแห่งทุกวิธีทางอยู่ทุกเมื่อ ม, มีประมาณเพื่อพ้ทุกในวัฏจักรสงสารโดยด่วนอยู่ทุกเมื่อนั่นเถิดนั่นมันอธิษฐานว่าอย่างนั้นไม่ลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติมีเท่าใดข้าพเจ้าจะอุทิศสกลละกายวาจาใจเป็นมหาสมบัติอันนั้นทูลถวายต่อ พระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อมันมีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนอยู่ทุกเมื่อนั่นเทินมันก็ลงอย่างนั้นถ้าลงอย่างนั้นแล้วมันก็หมดเรื่องจะภาวนาหรือไม่ภาวนาก็เท่ากับว่าภาวนาอยู่ไม่มีกัรวันัันคารเพราะอธิษฐานไว้แล้วนเพราะผูกขาดไว้แล้วเพราะจองขาดไปแล้วเพราะสิ้นความส ง, ส, งสัยว่าไม่ถือศาสดาอื่นแล้วถ้าหากว่ามันสงสัยว่า รัตที่อื่นจะดีกว่าพระพุทธศาสนาอยู่มันก็ไม่ลงเหมือนกันถ้ามันมองเห็นว่ารัตที่อื่นๆไม่ดีเท่าพระพุทธศาสนาแล้วความสงสัยข้างแคลงก็ไม่มีในเธอเลยนะไม่สงสัยในพระพุธรรมประสงค์ก็เรียกว่าฝังแน่นในพุทธธรรมประสงค์แล้วจิตใจเยเกเกจพุธทธังสันนังขตาเตนะเตขมิสันติ อภัยภูมิยังปหายมาณุสังเทหังเทวกายังปฏิภูเรศสันติติผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็ดีอิเทวันังระสังสันติผู้นั้นละโลกแล้วก็ไปบรรเทิงในสวรรค์นัดนัดนัดต่อไปนี้ก็ให้พรอิชิตังปิชิตังทูมหงังขิปเมวสะสัมมิสตะทุ สัพเพปูเรนตุสังคป่าจันโทพนัสโวยทามณีโสติรโสยะาพีติโยวันตัสะปุโสัพโยสัพโรโควินัสตุณหาเตผวัตวันตรายโยสุีทีกายุโกผะอภิวาธนาจีนิจจนิจังวุฒาปจายโนยตตาโลธรรมาวันติอายุวันูสุขังภะะทุโท แปลว่าผู้่ละบาปผู้ลู่ละบาปบปําเพ็ญบุญธรรมโมทรงไม้ซึ่งละบาปบปําเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อละบาปบปําเพ็ญบุญแต่ว่าอยู่ที่แห่งเดียวกันเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่ดวงใจนั่นเองพุตทโธทมีก็มีอยู่ที่ใจธัมโมมีก็มีอยู่ที่ใจสังโฆมีก็มีอยู่ที่ใจบางท่านบอกว่าหลวงปู่หลวงปู่ไล่ผีให้ด้วยเออไล่ผีก็ต้องไล่ออกไกลนั่นเอง ถ้าใจไม่ถือผีผีก็ไม่ได้อยู่ในที่นั้นผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำํำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสต <c oughs> หาพุทโธก็หาอยู่ที่ดวงใจเราเพราะเราเอาไว้ที่ดวงใจของเราทําบุญแล้วทําดีแล้วก็ไปหาที่ใจทาชั่วแล้วก็ไปหาที่ใจไม่ได้ไปที่อื่นเพราะใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้ทําตัวเหตุตัวผลยก็อยู่ที่ขับใจ เหตุด on on ีก็อยู่ที ato, ay, e ่ใจผลดีก็อยู่ที่ใจเหตุใจตอนไหนดีผลใจตอนนั่นก็ดีเหตุใจตอนไหนไม่ดีผลของใจตอนนั่นก็ไม่ดีเหตุใจสงสัยผลของใจก็สงสัยเหตุไม่สงสัยตอนใดๆผลก็ไม่สงสัยตอนนั้นๆใจเป็นที่พึ่งของใจอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจก็มีความหมายอันเดียวกันธรรมเป็นที่พึ่งของธรรมก็มีความหมายอันเดียวกัน ทำแปลว่าทร ง, ทรงอยู่ทรงอยู่ที่ไหนก็ทรงอยู่ที่รวงกายเรานี่เองนักเพราะเรานอ่มาไวน้นี้เห็นก็เห็นอยู่ที่นี้หายก็หายออกจากนี้ถ้าหายเห็นก็หายเห็นอู่จากนี้ถ้าหายก็หายออกจากนี้ใจเป็นนายหน้าของกายวาจาเป็นนายหน้าของการทำดีทาชั่วทั้งหลายใจที่มีสติใจที่มีปัญญาย่อมเลือกเพลื่อนสิ่งที่ควรเลือกใจสาหรับนึกคิด หลังสำหรับนอนสิ่งเป็นขวากเป็นน้ำก็ไม่นอนใจสำหรับนึกคิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามานึกคิดปากสำหรับกินสิ่งที่เบื่อเมาก็ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มหลังสำหรับนอนมีขวากไม่น้ำก็ไม่นอนเท้าสำหรับเดินสิ่งที่เป็นน้ำก็ที่เป็นป่ารกชัดหรือที่หิวที่ขวากที่น้ำก็ไม่เดินห้อยใจเป็นผู้รู้จักใจเป็นนายก เป็นผู้วางแผนจะทําทดีใจก็เป็นผู้วางแผนจะทําทช่วยใจก็เป็นผู้วางแผนผลของแผนก็มาหายใจไม่ไปหาที่อื่นใจจะรู่ตัวหรือไม่รู่ตัวก็ไม่เป็นปัญหาทำใจละวัระบาดลงที่ใจหมดไปแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ก็ย่อดลงมาหาใจมนโนภูพังเข้ามาธรรมามโนเสรษฐะมโนมายาทาทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่จะทําทดีก็พระใจจะทําช่วยก็พระใจจะเดือดร้อนก็พระใจ จะไม่เดือดร้อนกระเพาะใจสิ่งไหนที่เดือดร้อนใจก็ถามใจว่าอารมณ์ของใจไม่มีแต่ทางเดือดร้อนทางที่ไม่เดือดร้อนก็มีใจทำไมไม่เอามานึกว่าคิดก็ถามใจอะไรเหมือนกันก็ตอบใจอะไรเหมือนกันสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านผู้อื่นเมื่อใจทําลงไปสิ่งใจก็ไม่เดือดร้อนสิ่งไหนที่เบียดเวียนตนเองเบียดเวียนผู้อื่นเมื่อใจทากายวาจาทําลงไปใจก็เดือดร้อนถ้าใจเป็นผู้ฉลาดมีสติปัญญา สิ่งไหนที่ไม่สมควรก็อย่ากทาซิมีอุบายอุบายสอนตนเองใหญ่เป็นสมบัติสารพัดนึกนึกเมตตาผลของเมตตาก็มาหายใจนึกการณาความผลของการกรรณาก็มาหายใจนึกโกรธผลของความโกรธก็มาหายใจนึกโลภผลของความโลภก็มาหายใจน่ะน่ะไม่ไปที่อื่นสร้างเหตุลงแล้วผลไม่ต้องผสมก็ได้รับตามส่วนคนค่าของเหตุคือใจเป็นมาหาเหตุ คราวใดใจบอาผลของใจก็มาหาใจผลของความเบาคราวใดฟุง้งซ่านผลของความฟุ้งซ่านก็มาหาใจคราวใดโกรธผลของความโกรธก็มาหาใจในขณะนั้นไม่ได้ต้อนเข้าข้อยากเหมือนมา้าเหมือนโคเหมือนกระบื้อทำดีแล้วก็เข้ามาหาใจทั้งชั่วแล้วก็มาเข้าเข้ามาหาใจ สิ่งที่ทดสอบในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ว่าสิ่งไหนที่ใจนึกคิดแล้วมันเดือดร้อนสิ่งนั้นอย่าไปนึกคิดถือสิ่งไหนที่ทําแล้วด้วยกายระบายกาหรือระบยใจก็ดีหรือใจระล่วนก็ดีใจกับกายก็ดีใจกับกายก็ดีหรือทั้งกายกายใจก็ดีสิ่งนั้นเดือดร้อนภายหลังสิ่งนั้นอย่าไปทําอีกเครื่องทดสอบบาปสิ่งไหนที่ทําแล้วไม่เดือดร้อนสิ่งนั้นจงทํำถือ นั่นแหละคือบุญนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นแหละคือเป็นสิ่งที่พึ่งของใจนะตนเป็นแตพึ่งของตนใจเป็นแตพึ่งของใจทําเป็นในพึ่งของกรรมมีข้อหมายอันเดียวกันเราทาข้าวก็บอกพวกเธอทั้งหลายเฉยแต่จะทําแทนเธอพวกเธอทั้งหลายไม่ได้นิ้วนอนก็ต้องนอนเองหิ้วน้ําก็ต้องดินอือมเองเราเพียงเพียงบอกเท่านั้นจะให้เท่าเราทําแทนไม่ได้พระบรมศาสดา ก็เอาของพวกเธอนั่นเองให้พวกเธอทําไม่ใช่เราต่ท้าคดเอาของเราให้เช่นใจอย่างนี้ก็เอาใจของพวกเธอนนัเองปฏิบัติใจของเราจะไปปฏิบัติแทนพวกเธอก็ไม่ได้เธออย่าเสียดายฆ่าสัตว์อย่าเสียดายลักทรัพย์อย่าเสียดายประพฤติผิดในกามอย่าเสียดายพูดเท็จอย่าเสียดายดื่มสุราเมเลยถ้าเธอทั้งหลายไม่เสียดายสิ่งเหล่านี้แล้วพวกเธอก็ปฏิบัติไม่ยาก ที่พวกเธอปฏิบัติยากก็เพราะเสียดายอยากร้องละเมิดอยู่พระบรมศาสตาสอนไม่เสียดายอยากร้องละเมิดชิ้นทาไม่เสียดายอยากจะเล่นอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถือศาสตาอื่นนอกจากเขาพูดพระพธรรมประสงค์ไปไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งท่านผู้ใดให้ถึงความพินาศถึงเขามาทำผิดก็ให้อโหสิกรรมเขาเออแล้วก็โกรธอยู่ทำผิด มาทำผิดกับเราเราก็โกรธด้วแต่ว่าเราจะไม่เบียดเบียนนึกในใจอย่างนั้นถ้าหากว่าเราเคยทำเขาแต่ในชาติก่อนก็ให้เลาไปซะถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้เลาไปซะข้าจะไม่ตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนี่เรียกว่าภูมิของพระโซดามันท่านผิดนรกแล้วนรกเวรนรกภัยในส่วนนี้ท่านผิดแล้วคําสอนในพุทธศาสนาเป็นคําสอนปลดอาวุธปลดอาวุธทางเวรภยัย แล้วอาวุธที่เอาอาวุธที่ไม่เวีนไม่มีเวียนไมภัยเข้ามาที่ใจไล่อาวุธไล่เวีภัยออกจากกายแล้วเอาเวีนเอาาอันสิ่งที่ไม่มีเวียนไมภัยมาอยู่ในใจพระพุทธศาสน า, ษ า, ษาสวนรักสงบเว้นจากข้าสารรักทาประพุทธเป็นในกลามเรียกว่าสงบในทางกายเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดเฉลี่ยเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจอ้อหมายความว่าสงบวาระสงบใจ ไม่ลลภอยากได้ของท่านผู้อื่นมาเป็นของตนไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นไม่เห็นผิดจากทานองครองธรรมคือเห็นว่าทําดีใดๆทำชั่ ว, วเรียกว่าสงบใจแล้วขบดอาวุธอันไม่ดีออกกัดใจใจกินอาหารอยู่ไม่มีสังวันกลงคืนแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ให้่มันกินสิ่งที่จะเพิ่มราคะให้จัดขึ้นสิ่งที่จะเพิ่มเพิ่มโทสัตว์สะให้จัดขึ้นใจก็ไม่เอามานึกมาคิด ถึงมีอยู่ก็ผลักออกกาเมวตกความตริในทางกามพยาบาทวิตตกความส่งเสริมในทางพยาบาทวิหิงสาวิตตกความส่งเสริมในทางเบียดเบียนของท่านผู้ใดไม่มีท่านโท้ น, นั้นเป็นสุขแล้วพระบรมศาสตร์เป็นสุขในทางใจและท่านโท้ น, นั้นก็ถึงสุพฏิปโนแล้วจะยางเข้าสู่ อุจหญ่ยายะสามีเป็นตนต่อไปถ้าไม่อาบนา้ํามันก็สกปรกเข้าสังคมไม่ได้แม่ตัวเองก็สกปรกเหม็นสาบแต่ก็อาบได้แต่ภายนอกภายในอาบไม่ได้ในลําไส้ก็อาบไม่เป็นก็เหม็นคุ้งหนูก็ยังพอประทงังประทงังถ้าการอาบน้ามไม่มีความสกปรกก็มีการอาบน้า ม, มีความสกปรกยิ่งพอบรรเท า, าไปชั้นใดก็ดี จิตใจสกปกจะเอาอะไรอาบให้ก็เอาธรรมะของพระพุทธศาสนาตอนนั้นเอาสิ่งที่ไม่มีไม่มีไฟเข้าไปอยู่ในหัวใจการปฏิเสธอาบน้าไม่ได้การปฏิบัติศินธรรมด้านจิตใจก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันเพราะมันสกปกมันเดือดร้อนราคัคคีนาราคะคือไฟโทสักคีนาโทสะคือไฟโมหคินาความหลงคือไฟ ความรอบท่านเปรียบเหมือนไฟลุกด้วยโพรงขึ้นความโกรธท่านเปรียบเหมือนไฟฐานด้วยลุกด้วยความหลงท่านเปรียบเหมือนไฟฟ้าช็อตตายเลยทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบยังแลดูรูปไม่เบื่อไม่นายถ้าเปิดทะเยอทยานในตาก็าเรียกว่ารูปปัจจันหา ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงจึงเกิดมามีหูทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกเพราะชอบดมกลิ่นเกิดมาก็มีจมูกสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีลิ้นเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบลิ้มรสไม่เบื่อไม่นายทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายเพราะสัตว์ทั้งหลายต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกระเทือน เช่นห่มผ้าเป็นต้นเช่นอบอุ่นเป็นต้นเช่นต้องการเย็นเป็นต้นเวลาร้อนจับจะโผดทะพักกระทบกายไม่เป็นอะไรไม่ไม่เป็นอันตรายเท่าโผดทะพักของผู้หญิงผดทะพักของผู้หญิงมากระทบกายที่กำหนัดและใกล้เย็นดีว่าสามารถเป็นฝาละชิดได้สำหรับพระฉะนสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจพระสัตว์ทั้งหลายชอบนึกในธรรมาลงมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระหันท่านทุกคนไปแล้ว ท่านไม่มีตาหูจมูกเล่นกายใจหอกหรือท่านมีอยู่แต่ว่าท่านไม่ยืนยันว่าตาเป็นเราเราเป็นตาหูเป็นเราเราเป็นหูจมูกเป็นเราเราเป็นจมูกเล่นเป็นเราเราเป็นเล่นกายเป็นเราเราเป็นกายทําเป็นมาลมเป็นเราเราเป็นธรรมมาใจเป็นเราเราเป็นธรรมารมท่านไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นท่านเห็นเป็นกระแสว่าลูกเสียงจิ๋นรถปวดสะพะธรรมารมเฉยๆก็สิงเหล่านี้เกิดขึ้นแนปรปรวนแล้แตกสลายในสภาวะร่างกายของเราก็มีอยู่ย่นลงมา เป็นสองธาตุลูกประธาต์นาำมะธาตุถ้ายนเป็นธาตุสีวัดีน้ำไฟลมหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุนานาธาตุญาหนังธาตุทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรผนแลแตกสลายทำทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วแปลผลแลแตกสลายสังขารทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปลผลแนแตกสลายส่วนธาตุดินที่เป็นวัตถุที่เห็นด้วยตาธาตุน้ำที่เห็นด้วยตาธาตุไฟที่เห็นด้วยตาธาตุลมที่ปรากฏทัดเสียงของ ธาตุดินก็แตกไปเป็นดินตามเดิมธาตุน้ํำก็แตกไปเป็นน้ําตามเดิมธาตุไฟก็แตกไปเป็นไฟตามเดิม